ไตรปิดกภาษาไทยฉบับมหาจุลาลงกรราชวิทยาลายัยเล่มที่สิบเอ็ดพระสุตันตปิดกทีขนิกายปาติกวักพระสุตันตปิดกทีขนิกายปาติเกวัก ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งปาติกสูตรว่าด้วยนักบวชเปลือยชื่อปาติกบุตรเรื่องเจ้าลิชวีนามว่าสุนขตตัขัตะ์เขาพระเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่นิคมของชาวมัลละชื่ออนุปิยะในแคว้นมัลละ ครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังอนุปิยานิคมเพื่อบินบาตลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงดำริว่ายังเช้าเกินไปที่จะเข้าไปยังอนุปิยานิคมเพื่อบินธบาต ท, ทางที่ดีเราควรเข้าไปหาพระวควโคตรปริพาชกถึงอารามของเขา ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปหาพระขวะโคดปริภาชกถึงอารามของเขาพระขวะโคดปริภาชกเรียกราบทุนพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดเสด็จเข้ามาเถิดขอรับเสด็จพระผู้มีพระภาคนานๆพระองค์จะมีเวลาเสด็จมาณที่นี้ ขอพระผู้มีพระภาคประทับบนพุทธอาถาที่ปูราดไว้แล้วเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคประทับบนพุทธอาถาที่ปูราดไว้แล้วฝ่ายพัควโคตรปริพาชกก็เลือกนั่งณที่สมควรแห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งต่ำกว่าเดียกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อหลายวันมาแล้วสุนัขขัดตาลิชวีบุตรโอรสของเจ้าลิชวี ได้มาหาฆ่าพระองค์ถึงที่อยู่ได้บอกข่าพระองค์ว่าท่านพักวะบัดนี้ข้าพเจ้าบอกคืนพระผู้มีพระภาคแล้วข้าพเจ้าไม่อย yeah. ู่อุทิศพระผู้ม so. ีพระภาคเรื่องที่สุนัขตาลิชวีบุตกล่าวแล้วนั้นเป็นจริงหรือพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพักวะเรื่องที่สุนัขตาลิชวีบุตกล่าวแล้วนั่นเป็นจริง เมื่อหลายวันมาแล้วสุนัขคตาฤชวีบุตรได้เข้าไปหาเราถึงที่อยู่ไหวเราแล้วนั่งหน้าที่สมควรได้กล่าวกับเราดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้ข้าพระองค์ขอบอกคืนพระผู้มีพระภาคข้าพระองค์จะไม่อยู่อุทิศพระผู้มีพระภาคเมื่อเขากล่าวอย่างนี้แล้วเราได้กล่าวกับสุนัขคตาฤชวีบุตรว่าสุนัขคตะเรารกล่าวกับเธอบ้างหรือว่า มาเถอสุนัขขตะเธอจงอยู่อุทิศเราหาไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะก็หรือเธอได้กล่าวกับเราอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จักอยู่อุทิศพระผู้มีพระภาคหามิได้พระพุทธเจ้าค่ะสุนัขขตะจริงๆแล้วเราไม่ได้กล่าวกับเธอเลยว่ามาเถอสุนัขขตะเธอจงอยู่อุทิศเราทั้งเธอก็ไม่ได้กล่าวกับเราเลยว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะอยู่อุทิศพระผู้มีพระภาคโมคบุรุษเมื่อเป็นเช่นนี้เธอเป็นใครจะบอกคืนใครโมคบุรุษเธอจงดูเถิดว่าการพูดเช่นนี้เป็นความผิดของเธอมากเพียงไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแต่พระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์แก่ข้าพระองค์เลยสุนัขตะ เราเรียกล่าวกับเธอบ้างหรือว่ามาเธอสุนัขัตตะเธอจงอยู่อุทิศเราเราจะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์แก่เธอหาไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะหรือว่าเธอได้กล่าวกับเราอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จักอยู่อุทิศพระผู้มีพระภาคถ้าพระผู้มีพระภาคจกแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์แก่ข้าพระองค์ หาไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะสุนัขข ต, ตะจริงๆแล้วเราไม่เรียกล่าวกับเธอเลยว่ามาเธอสุนัขข่ ต, ตะเธอจงอยู่อุทิศเราเราจะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์แก่เธอทั้งเธอก็ไม่เรียกล่าวกับเราเลยว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จักอยู่อุทิศพระผู้มีพระภาคถ้าพระผู้มีพระภาคจากแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์แก่ข้าพระองค์ โมฆบุรุษเมื่อเป็นเช่นนี้เธอเป็นใครจะบอกคืนใครสุนัขัตตะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเราจะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์หรือไม่แสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์ก็ตามทำที่เราแสดงแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระทําตามหรือไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ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 ทำที่เราแสดงแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบแก่ผู้กระทําตามสุนัขัตตะเมื่อเป็นเช่นนั้นการที่เราแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์จะก่อผลอะไรได้เล่าโมคบุรุษเธอจงดูเถิดว่าการพูดเช่นนี้เป็นความผิดของเธอมากเพียงไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคไม่ได้ประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกําเนิดของโลกแก่ข้าพระองค์เลยสุนัขตะเราได้กล่าวกับเธอบ้างหรือว่ามาเธอสุนคขตะเธอจงอยู่อุทิศเราเราจะประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกําเนิดของโลกแก่เธอหาไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะสุนัขตะก็หรือเธอเรียกล่าวกับเราอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จกอยู่อุทิศพระผู้มีพระภาค ถ้าพระผู้มีพระภาคจะประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกําเนิดของโลกแก่ข้าพระองค์หาไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะสุนัขขตะจริงๆแล้วเราไม่ได้กล่าวกับเธอเลยว่ามาเถอะสุนัขตะเธอจงอยู่อุทิศเราเราจะประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกําเนิดของโลกแก่เธอทั้งเธอก็ไม่ได้กล่าวกับเราเลยว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จักอยู่อุทิศพระผู้มีพระภาค ถ้าพระผู้มีพระภาคจากทรงประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกแก่ข้าพระองค์โม้าบุรุษเมื่อเป็นเช่นนี้เธอเป็นใครจะบอกเคืนใครสุนัขัตตะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเราจะประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกหรือไม่ประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกก็ตามทำที่เราแสดงแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบ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 หรือไม่ประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกก็ตามทมที่เราแสดงแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบแก่ผู้กระทำตามเมื่อเป็นเช่นนี้การที่เราประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกจะก่อผลอะไรได้เล่าโมคาบุรุษเธอจงดูเถิดว่าการพูดเช่นนี้เป็นความผิดของเธอมากเพียงไรสุนขคตะ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 เธอเคยกล่าวสรรเสริญพระธรรมที่วัชีคามด้วยเหตุผลหลายอย่างอย่างนี้แหลสุนัขตะเธอเคยกล่าวสรรเสริญพระสงฆ์ที่วัชีคามด้วยเหตุผลหลายอย่างว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่อริยบุคคลสี่คู่8ดบุคคลพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้ เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษินาควรแก่การทำอัญเชลีเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกสุนัขขตตะเธอเคยกล่าวสรรเสรินพระสงฆ์ที่วชีคามด้วยเหตุผลหลายอย่างอย่างนี้แลสุนัขัตตะเราขอบอกเธอเราขอเตือนเธอจกมีผู้ด่าว่าเธอได้ว่าสุนัขขตตะลิชวีบุตร ไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคโดมได้เมื่อไม่สามารถประพฤติได้ได้บอคืนเสียขากลับมาเป็นครหัต ส, สุนักขตตะจากมีผู้ด่าว่าเธออย่างนี้แลพักวะสุนักขตตะลิชวีบุตรเมื่อถูกเราว่ากล่าวอย่างนี้ได้หนีไปจากธรรมวินัยนี้แล้วเหมือนผู้ควรเกิดในอบายกลับไปตกนรกฉะนั้น เรื่องนักบวชเปลือยชื่อโกรักขติยะภควะสมัยหนึ่งเราอยู่ที่นิคมของชาวถูรูชื่ออุตรกาในชุมชนชาวถูรูครั้นในเวลาเช้าเราครองอันตราวาสกถือบาทและจีวรมีสุนขัขขตาลิชวีบุตรเป็นปัจฉาสมณะเข้าไปยังอุตรกานิคมเพื่อบิณฑบาตสมัยนั้นมีนักบวชเปลือยชื่อโกรักขติยะ ประพฤติอย่างสุนัข ค, คือคลานไปด้วยข้อศอกและเขา่ากินอาหารที่กองบนพื้นดินด้วยปากสุนัขัตตะลิชวีบุตรได้เห็นเขาแล้วจึงได้มีความคิดดังนี้ว่าสมณะคลานไปด้วยข้อศอกและเขา่ากินอาหารที่กองบนพื้นดินด้วยปากเป็นพระอรหันต์ชั้นดีครั้งนั้นเราได้รู้ความราพึงของสุนัขัาตะลิชวีบุตรด้วยใจจึงกล่าวกับสุนัขัาตะลิชวีบุตรว่า โมฆะบุรุษแม้คนเช่นเธอก็ยังปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะสักยบุตรอยู่หรือเขาเรียกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญฉชไหนพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกข้าพระองค์อย่างนี้ว่าโมฆะบุรุษแม้คนเช่นเธอก็ยังปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะสักยบุตรอยู่หรือสุนขัข ต, ต่าเธอได้เห็นนักบวชเปลือยโกรักขติยะนี้ ผู้ประพฤติอย่างสุนักคลานไปด้วยข้อศอกและเขา่ากินอาหารที่กองบนพื้นดินด้วยปากแล้วได้มีความคิดดังนี้ว่าสมณะที่คลานไปด้วยข้อศอกและเขา่ากินอาหารที่กองบนพื้นดินด้วยปากเป็นพระอาหารหันต์ชั้นดีมิใช่หรือใช่พระพุทธเจ้าค่ะก็พระผู้มีพระภาคยังทรงหวงความเป็นพระอาหารหันต์อยู่หรือโมฆะบุรุษเราไม่ได้หวงความเป็นพระอาหารหันต์เลย แต่เธอได้เกิดความเห็นชั่วนี้ขึ้นเธอจงละความเห็นชั่วนั้นเสียความเห็นชั่วนั้นอย่าได้มีเพื่อไม่เก้อคูณเพื่อทุกข์แก่เธอตลอดกาลนานเลยสุนัขัตตะนักบวชเปลือยโกรคัติยะที่เธอเข้าใจว่าเป็นสมณะผู้เป็นพระอรหันต์ชั้นดีนั้นอีกเจ็ดวันจกตายด้วยโรคอลระสกะแล้วจกไปเกิดในหมู่อสูรชื่อกาลกันชิกา ซึ่งต่าต้อยกว่าหมูอสูนทุกประเภทและคนจักนําศพนั้นไปทิ้งที่ป่าช้าชื่อวีรนัตตะถามภกะถ้าเธอประสงค์จะรู้พึงเข้าไปหานักบวชเปลือยโกรัคติยะแล้วถามว่าท่านโกรัคติยะท่านทราบคติของตนหรือเป็นไปได้ที่เขาจากตอบว่าท่านสุนัขัตตะเราทราบคติของเรา คือจะไปเกิดในหมู่อสูรชื่อกาลกันชิกาซึ่งต่ําต้อยกว่าหมู่อสูรทุกประเภทพักวะครั้งนั้นสุนขัขข่ตะฤชวีบุตรได้เข้าไปหานักบวชเปลือยโกรัคติยะถึงที่อยู่แล้วได้พูดกับนักบวชเปลือยโกรัคติยะดังนี้ว่าท่านโกรัคติยะพระสมณโคโดมพยากรณ์ว่าอีกเจ็ดวันโกรัคติยะจกตายด้วยโรคอารสกะ แล้วจบไปเกิดในหมูอ่อศูนย์ชื่อกาลกัญชิกาซึ่งต่ำต้อยกว่าหมโอศูนย์ทุกประเภทและคนจากนำศพนั้นไปทิ้งที่ป่าชาชื่อวีรนัตตธรรมปกะท่านโกรคัติยะควรกินอาหารแต่พอสมควรและดื่มน้ำแต่พอสมควรเพื่อทำให้คำพูดของพระสมณโคโดมผิดไปพักวะตอนนั้นสุนัขัตาิชวีบุตรไม่เชื่อตถาคต จึงนับวันและคืนตลอดเจ็ดวันโดยเริ่มจากวันที่ล่วงไปหนึ่งวันสองวันต่อมาถึงวันที่7นัก บ, บวชเปลือยโกรัติยะได้ตายด้วยโรค阿拉สกะแล้วไปเกิดในหมู่อสูรชื่อกาละกันชิกาซึ่งต่ำต้อยกว่ามหมู่อสูรทุกประเภทและคนนำศพนั้นไปทิ้งที่ป่าช้าชื่อววรนตตะถังปะกพระควะสุนัขะตะลิชวีบุตรได้ฟังข่าวว่า นักบวชเปลืยโกรคกติยะตายด้วยโรคอลาสกะถูกเขานําไปทิ้งไว้ที่ป่าช้าชื่อวีรนัตถธรรมภกะจึงเข้าไปหาศพนักบวชเปลือยโกรคกติยะถึงป่าช้าชื่อวีรนัตถธรรมภกะแล้วใช้มือตบศพนักบวชเปลือยโกรคกติยะสามครั้งถามว่าท่านโกรคกติยะท่านทราบปติของท่านหรือ ขณะนั้นศพนักบวชเปลือยโกรคัติยะลูกขึ้นยืนเอามือลูบหลังของเขาแล้วตอบว่าท่านสุนักขตตะเราชาติปฏิของเราเราไปเกิดในหมู่อสูรชื่อกาละกันชิ ก, กาซึ่งต่ําต้อยกว่าหมู่อสูรทุกประเภทแล้วล้มลงนอนหงายอยู่ณที่นั้นเองพักวะครั้งนั้นสุนัขตตะฤชวีบุตรเข้าไปหาเราถึงที่อยู่ ไหวเราแล้วนั่งณที่สมควรเราเรียกกล่าวกับสุนัขคัตตาลิชวีบุตรดังนี้ว่าสุนัขคัตตะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเราปราลบักบุตเปลือยโกรคัตยะแล้วพยากรแก่เธอไว้อย่างไรผลของการพยากรเป็นอย่างนั้นหรือหรือว่าเป็นอย่างอื่นสุนัขคัตตาลิชวีบุตรตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคทรงปรารบนักบวชเปลือยโครักขติยะและพยากรแก่ข้าพระองค์ไว้อย่างไรผลของการพยากรเป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างอื่นเลยสุนัขคตะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนั้นเราได้แสดงอิทธิปฏิหารอันเหนือธรรมดาของมนุษย์หรืออย่างไม่ได้แสดงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนี้ พระองค์ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์แล้วแน่นอนมิใช่ไม่ได้ทรงแสดงโมคะบุรุษถึงอย่างนี้เธอยังจะกล่าวกับเราผู้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์ว่าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์แก่ข้าพระองค์อยู่อีกหรือเธอจงดูเถิดว่าการพูดเช่นนี้เป็นความผิดของเธอมากเพียงไร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 พระกวะสมัยหนึ่งเราอยู่ที่กูตาคารสาลาในป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีขณะนั้นนักบวชเปลือยชื่อกลาระมัจกะอยู่ที่วชีคามเขตกรุงเวสาลีถึงความเป็นผู้เลิศด้วยลาบและถึงความเป็นผู้เลิศด้วยยศเขาถือสมาทานวัตบท7ประการคือ 1. เราพึงเป็นคนเปลือยไม่นุ่งห่มผ้าตลอดชีวิต 2. เราพึงประพฤติพรหมจรรย์ไม่เสพเมถุนตลอดชีวิต 3. เราพึงดำรงชีพด้วยสุราและเนื้อสัตว์ไม่กินข้าวและขนมกลุ่มมาสขนมสดตลอดชีวิต 4. เราไม่พึงล่วงเกินอุเทนเจดีซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกแห่งกรุงเวสาลี 5. เราไม่พึงล่วงเกินโคตมกะเจดีซึ่งอยู่ทางทิศใต้แห่งกรุงเวสาลี 6. เราไม่พึงล่วงเกินสัตตมพเจดีซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกแห่งกรุงเวสาลีเจ็ดเราไม่พึงล่วงเกินพระหูปุตตะเจดีซึ่งอยู่ทางทิศเหนือแห่งกรุงเวสาลีดังนี้เพราะการสมาทานวัตถบทครบเจ็ดประการนี้เขาจึงถึงความเป็นผู้เลิศด้วยลาบและถึงความเป็นผู้เลิศด้วยยศที่วัชีคามพระควะครั้งนั้นสุนัตตาลิชวีบุตร เข้าไปหานักบวชเปลยกลาระมัจกะถึงที่อยู่แล้วถามปัญหาเขาถูกถามปัญหาแล้วไม่สามารถตอบปัญหาของสุนัขัตตะลิชวีบุตรนั้นให้ถูกต้องได้จึงแสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่แช่มชื่นให้ปรากฏขณะนั้นสุนัขัตตะลิชวีบุตรได้มีความคิดดังนี้ว่าเราได้รุกรานสมณะผู้เป็นพระอาหารหันต์ชั้นดีแล้ว ขอความผิดนั้นอย่าได้มีเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกแก่เราตลอดกาลนานเลยครั้งนั้นสุนขัขคาตาเลชวีบุตรได้เข้าไปหาเราถึงที่อยู่ไหวเราแล้วนั่งหน้าที่สมควรเราเรียกกล่าวกับสุนขคตาเชวีบุตรดังนี้ว่าโมคบุรุษแม่คนเช่นเธอก็ยังปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะสักยะบุตรอยู่หรือเขาเรีกกล่าวว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญฉไห น, นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกข้าพระองค์อย่างนี้ว่าโมฆะบุรุษแม้คนเช่นเธอก็ยังปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะสากยบุตรอยู่หรือสุนักขตตะเธอเข้าไปหานักบวชเปลือยกลาระมัจกะแล้วถามปัญหาเขาถูกถามปัญหาแล้วไม่สามารถตอบปัญหาของเธอให้ถูกต้องได้จึงแสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่แชื่อมชื่นให้ปรากฏ เธอจึงได้มีความคิดแต่งนี้ว่าเราได้รุกรานสมณะผู้เป็นพระอรหันต์ชั้นดีแล้วขอความผิดนั้นอย่าได้มีเพื่อไม่เรื้อกูลเพื่อทุกแก่เราตลอดกาลนานเลยมิใช่หรือใช่พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคก็ยังหวงความเป็นพระอรหันต์อยู่หรือโมคาบุรุษเราไม่ได้หวงความเป็นพระอรหันต์เลยแต่เธอได้เกิดความเห็นชั่วนี้ขึ้น เธอจงละความเห็นชั่วนั้นเสียความเห็นชั่วนั้นอย่าได้มีเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เธอตลอดกาลละนานเลยสุนักขัตตะนักบวชเปลืยกลารามัจกะที่เธอเข้าใจว่าเป็นสมณะผู้เป็นพระอรหันต์ชั้นดีนั้นอีกไม่นานเขาก็จะกลับนุ่งห่มผ้ามีพัญญากินข้าวและขนมกลุ่มมากล่วงเกินเจดีที่มีอยู่ในคลุงเวสาลีทั้งหมด กลายเป็นคนเสื่อมยศแล้วจากตายไปพระควะต่อมาไม่นานนักบวชเปลือยกลาระมัจจกะก็กลับนุ่งห่มผ้ามีพัญญากินข้าวและขนมกลุ่มมาศล่วงเกินเจดีที่มีอยู่ในกรุงเวสาลีทั้งหมดกลายเป็นคนเสื่อมยศแล้วตายไปพระควะสุนัขตาลิชวีบุตรได้ฟังข่าวว่านักบวชเปลือยกลาระมัจจกะ กลับนุ่งห่มผ้ามีพัญญากินข้าวและขนมกลุ่มมาดล่วงเกินเจดีที่มีอยู่ในกรุงเวสาลีทั้งหมดเสื่อมจากยศแล้วตายไปจึงเข้าไปหาเราถึงที่อยู่ไหวเราแล้วนั่งหน้าที่สมควรเราจึงกล่าวกับสุนขัขขตะลิชวีบุตรว่าสุนขัขขตะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเราปรารภนักบวชเปลืยกลาระมัจกะแล้วพยากรณ์แก่เธอไว้อย่างไร ผลของการพยากรเป็นอย่างนั้นหรือหรือว่าเป็นอย่างอื่นสุนขัขตานเลชวีบุตรตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงปรารบนักบวชเปลือยกลาระมจักและพยากรแก่ข้าพระองค์ไว้อย่างไรผลของการพยากรเป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างอื่นเลยสุนขัขตาเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนั้น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 บวชเปลือยชื่อปาติกรบุตรพระควะสมัยหนึ่งเราอยู่ที่กูตาคานศาลาในป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีนั้นสมัยนั้นนักบวชเปลือยชื่อปาติกรบุตรอาศัยอยู่ที่วัชีคามเขตกรุงเวสาลีถึงความเป็นผู้เลิศด้วยลาบและถึงความเป็นผู้เลิศด้วยยศเขาชอบพูดอวดในบริษัทในคลุงเวสาลีอย่างนี้ว่า พระสมณาโคโดมเป็นยานวาสเราก็เป็นยานวาส ด, ด้วยผู้เป็นยานวาสควรจะแสดงอิทธิปฏิหารอันเหนือธรรมดาของมนุษย์กับผู้เป็นยานวาส ด, ด้วยกันขอให้พระสมณาโคโดมเสด็จมาครึ่งทางแม้เราก็จะเสด็จไปครึ่งทางณนะที่พบกันนั้นเราทั้งสองพึงแสดงอิทธิปติหารอันเหนือธรรมดาของมนุษย์ด้วยกัน ถ้าพระสมณะโคโดมจกแสดงอิทธิปฏิหารอันเหนือธรรมดาของมนุษย์หนึ่งอย่างเราจะแสดงสองอย่างถ้าพระสมณะโคโดมจกทรงแสดงอิทธิปฏิหารอันเหนือธรรมดาของมนุษย์สองอย่างเราจะแสดงสอย่างถ้าพระสมณะโคดมจกทรงแสดงอิทธิปฏิหารอันเหนือธรรมดาของมนุษย์สอย่างเราจะแสดง8อย่าง พระสมณโคโดมจากทรงแสดงอิทธิปฏิหารอันเหนือธรรมดาของมนุษย์มากเท่าใดเท่าใดก็ตามเราจะแสดงให้มากกว่านั้นเป็นทวีคูณพระควะสุนัขตาลิชวีบุตรเข้าไปหาเราถึงที่อยู่ไหวเราแล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับเราดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนักบวชเปลยปาติกบุตอาศัยอยู่ที่วชีคามเขตกรุงเวสาลี ถึงความเป็นผู้เลิศด้วยลาบและถึงความเป็นผู้เลิศด้วยยศเขาชอบพูดอวดในบริษัทในกรุงเวสาลีอย่างนี้ว่าพระสมณโคโดมเป็นญาณวาสเราก็เป็นญาณวาส ด, ด้วยผู้เป็นญาณวาสควรจะแสดงอิธิปาติหารอันเหนือธรรมดาของมนุษย์กับผู้เป็นญาณวาส ด, ด้วยกันขอให้พระสมณโคโดมเสด็จมาครึ่งทางแม้เราก็จะไปครึ่งทางณนะที่พบกันนั้น เราทั้งสองพึงแสดงอิทธิปฏิหารอันเหนือธรรมดาของมนุษย์ด้วยกันถ้าพระสมณโคดมจกทรงแสดงอิทธิปฏิหารอันเหนือธรรมดาของมนุษย์หนึ่งอย่างเราจะแสดงสองอย่างถ้าพระสมณโคดมจกทรงแสดงอิทธิปฏิหารอันเหนือธรรมดาของมนุษย์สองอย่างเราจะแสดงสอย่างถ้าพระสมณโคดมจกทรงแสดงอิทธิปฏิหารอันเหนือธรรมดาของมนุษย์สี่อย่าง เราจะแสดง8ดอย่างพระสมณโคโดมจะทรงแสดงอิทธิปฏิหารอันเหนือธรรมดาของมนุษย์มากเท่าใดเท่าใดก็ตามเราจะแสดงให้มากกว่านั้นเป็นทวีคูณพักวะเมื่อสุนัขขตตาลิชวีบุตรกล่าวอย่างนี้เราเรียกกล่าวกับสุนัขขตตาลิชวีบุตรดังนี้ว่าสุนัขขตตาถ้านักบวชเปลือยปาเต ก, กบุตรยังไม่ละวาจาไม่ละความคิด ไม่สลัดความเห็นนั้นก็ไม่อาจที่จะมาะเผชิญหน้ากับเราได้แม้เขาจะคิดอย่างนี้ว่าถึงเรายังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็อาจไปเผชิญหน้ากับพระสมณะโคดมได้ดังนี้ศีรษะของเขาจะพึงแตกแน่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงรักษาพระวาจานั้นเถิดขอพระสุคต จงทรงรักษาพระวาจานั้นเตตนถิดสุนัขตาก็ฉไหนเธอจึงกล่าวกับเราอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงรักษาพระวาจานั้นเถิดขอพระสุคตจงทรงรักษาพระวาจานั้นเถิดดังนี้เล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พระผู้มีพระภาคตรัสวาจานี้โดยในเดียวว่าถ้านักบวชเปลือยปาติ ก, กรบุตร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 อาจแปลงรูปมาเผชิญหน้ากับพระผู้มีพระภาคก็ได้ในตอนนั้นพระดํารักของพระผู้มีพระภาคก็จะเป็นเท็จสุนขตตะตถาคตเคยกล่าววาจาที่เป็นสองหนบ้างไหมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พระผู้มีพระภาคทรงกำหนดรู้ใจของนักบวชเปลยปาต็กกระบดด้วยพระัถว่าถ้านักบวชเปลยปลาเติกกระบดยังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้น ก็ไม่อาจที่จะมาะเผชิญหน้ากับเราได้แม้เขาจะคิดอย่างนี้ว่าถึงเรายังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็อาจไปเผชิญหน้ากับพระสมณโพดมได้ดังนี้ศีรษะของเขาจะพึงแตกแน่หรือหรือว่าเราเทวดาก็ได้กราบทูลความข้อนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้านักบวชเปลือยปาติกบุตรยังไม่ละวาจา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 ดังนี้ศีษาของเขาจะพึงแตกแน่และเหล่าเทวดาก็ได้บอกความข้อนี้แกเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้านักบวชเปลือยปาเิ ก, กระบุรไม่ละวาจาละถึงศีษาของเขาจะพึงแตกแน่แม้เสนาบดีของเจ้าลิชวีชื่ออาชิตะซึ่งได้ถึงแก่อนิจกรรมไปเมื่อเร็วๆนี้ไปเกิดในหมู่เทพชั้นดาวดึงก็ได้เข้ามาบอกเราอย่างนี้ว่า นักบวชเปลปเยปาติกกบุตเป็นคนไม่ละอายเป็นคนพูดเท็จทั้งได้พยากรณ์าร่าพระองค์ที่วัาฉีควมว่าเสนาบดีของเจ้าลิชวีชื่ออาจิตยะไปเกิดในมหานรก <oui. S 2> ข่าพระองค์ไม่ได้ไปเกิดในมหานรกแต่ไปเกิดในหมู่เทพชั้นเดวดึงข่าแต่พระองค์พู้เจริญนักบวชเปลปเยปาติกกบุตเป็นคนไม่ละอายเป็นคนพูดเท็จ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 สุนัขขัตตะก็เรานั้นแลจะเข้าไปยังกรุงเวสาลีเพื่อบินธบาตกลับจากบินธบาตภายหลังชั้นพัตหารเสร็จแล้วจะเข้าไปยังอารามของนักบวชเปลยปาเต็กกระบุตเพื่อพักกลางวันถ้าเธออยากจะบอกก็จงไปบอกเขาเดี๋ยวนี้ อ, อิทิปาติหารพระควะครั้นในเวลาเช้าเราครองอันตรวาสก์ถือบาและจีวรเข้าไปยังกรุงเวสาลีเพื่อบินธบาตกลับจากบินธบาตภายหลังฉันพัะทหารเสร็จแล้วเข้าไปยังอารามของนักบวชเปลยปาติกบุตรเพื่อพักกลางวันครั้งนั้นสุนัขขตตะลิชวีบุตรรีบเข้าไปยังกรุงเวสาลีแล้วเข้าเฝ้าพวกเจ้าลิชวีที่มีชื่อเสียงทูลว่า ท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นสเสด็จเข้าไปยังกรุงเวสาลีเพื่อบินธบาตกลับจากบินธบาตภายหลังชันพัฒหารเสร็จแล้วสเสด็จเข้าไปยังอารามของนัก บ, บวชเปลยปาติกบุตรเพื่อทรงพักกลางวันขอพวกท่านจงรีบออกไปจากมีการแสดงอิทธิปฏิหารอันเหนือธรรมดาของมนุษย์ของพวกสมณะชั้นดีครั้งนั้นพวกเจ้าลิชวีที่มีชื่อเสียงได้พูดกันว่า ท่านผู้เจริญทราบข่าวว่าจากมีการแสดงอิทธิปฏิหารอันเหนือธรรมดาของมนุษย์ของพวกสมณะชั้นดีฉะนั้นเชิญพวกเราไปดูกันเถิดสุนัตตาลิจวีบุตรเข้าไปหาพวกพรามณ์มหาสาลขหาบดีผู้มั่งคัง่งและสมณะพรามลัทธิต่างๆผู้มีชื่อเสียงแล้วบอกอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลาย พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นสเสด็จเข้าไปยังกรุงเวสาลีเพื่อบินธบาตกลับจากบินธบาตภายหลังฉันปติหารเสร็จแล้วสเสด็จเข้าไปยังอารามของนักบวชเปลือยปาติขบุรเพื่อทรงพักกลางวันขอพวกท่านจงรีบออกไปจากมีการแสดงอิทธิปฏิหารอันเหนือธรรมดาของมนุษย์ของพวกสมณะชั้นดีครั้งนั้นพวกสมณะพราหมณ์ลัทธิต่างๆผู้มีชื่อเสียงได้พูดกันว่า ท่านผู้เจริญทราบข่าวว่าจะมีการแสดงอิทธิปฏิหารอันเหนือธรรมดาของมนุษย์ของผู้สมณะชั้นดีฉะนั้นขอให้พวกเราไปดูกันเถิดพักวะครั้งนั้นพวกเจ้าดิฉวีผู้มีชื่อเสียงพรามณ์มหาศารขหาบดีผู้มั่งคั่งและสมณะพรามลัทธิต่างๆผู้มีชื่อเสียงต่างพาไปยังอารามของนักบวชเปลยปายติกบุรบริษัทนั้ น, น, น เป็นเรือนร้อยเรือนพันภระควะนักบวชเปลยปาเถกบุตรได้ฟังข่าวว่าพวกเจ้าลิฉวีผู้มีชื่อเสียงพราหมณ์มหาศาลขหาพดีผู้มั่งคั่งและสมณพราหมณ์ลัทธิต่างๆผู้มีชื่อเสียงต่างพากันออกมาแล้วแม้พระสมณโคดมก็ประทับพักกลางวันอยู่ที่อารามของเราจึงเกิดความกลัวความสะดุ้งขนพองสยองกล่าวครั้งนั้น นักบวชเปลยปาติกบุตรกลัวตัวสัน่นคขนพองสยองกล้าวหนีไปยังอารามของติ น, นะทุกขานุปริภาชกบริษัทนั้นได้ฟังข่าวว่า <ST AR> นักบวชเปลยปาติกบุตรกลัวตัวสัน่นคขนพองสยองกล้าวหนีเข้าไปยังอารามของติ น, นะทุกขานุปริภาชกทันใดนั้นบริษัทนั้นได้เรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งว่าพ่อคุณ เธอจงเข้าไปหานักบวชเปลือยปาติกบุตรที่อารามของตินณทุขานุปริภาชกแล้วจงบอกกับนักบวชเปลือยปาติกบุตรอย่างนี้ว่าท่านปาติกบุตรท่านจงกลับไปเถิดพวกเจ้าลิชวีผู้มีชื่อเสียงพราหมณ์มหาศาลขหาบดีผู้มั่งคั่งและสมณพราหมณ์ลัทธิต่างๆผู้มีชื่อเสียงต่างพากันออกมาแล้วแม้พระสมณโคโดมก็ประทับพักกลางวันอยู่ที่อารามของท่าน อันหนึ่งท่านได้พูดอวดไว้ในบริษัทในกรุงเวสาลีอย่างนี้ว่าพระสมณะโคโดมเป็นยาณวาตเราก็เป็นยาณวาต ด, ด้วยผู้เป็นยาณวาตควรแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์กับผู้เป็นยาณวาต ด, ด้วยกันขอให้พระสมณะโคโดมเสด็จมาครึ่งทางแม้เราก็จะไปครึ่งทางณที่พบกันนั้นเราทั้งสองจะแสดงอิธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์ด้วยกัน ถ้าพระสมณโคดมจกทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์หนึ่งอย่างเราจะแสดงสองอย่างถ้าพระสมณโคดมจกทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์สองอย่างเราจะแสดงสี่อย่างถ้าพระสมณโคดมจกทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์สี่อย่างเราจะแสดง8ดอย่างพระสมณโคดมจกทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ อันเหนือธรรมดาของมนุษย์มากเท่าใดเท่าใดก็าตามเราจะแสดงให้มากกว่านั้นเป็นทวีคูณท่านปาติกบุตรท่านจงออกไปครึ่งทางพระสมณโคโดมเสด็จมาก่อนคนทั้งปวงทีเดียวประทับพักกลางวันอยู่ที่อารามของท่านพระขาวะบุรุษนั้นรับคําสั่งแล้วจึงเข้าไปหานักบวชเปลยืยปาติกรบุตรที่อารามของตินนาทุขานุปริพาชก แล้วบอกกับนักบวชเปลยปาติกกบุตรดังนี้ว่าท่านปาติกกบุตรท่านจงกลับไปเถิดพวกเจ้าดิชวีผู้มีชื่อเสียงพราหมณ์มหาศาลข้าพดีผู้มั่งคั่งและสมณพราหมณ์และที่ต่างๆผู้มีชื่อเสียงต่างพากันออกมาแล้วแม้พระสมณโคโดมก็ประทับพักกลางวันอยู่ที่อารามของท่านอันหนึ่งท่านได้พูดอวดไว้ในบริษัทในครุงเวสาลีอย่างนี้ว่า พระสมณาโคโดมเป็นยานวาตเราก็เป็นยานวาต ด, ด้วยอพหนึ่งผู้เป็นยานวาตควรแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์กับผู้เป็นยานวาต ด, ด้วยกันและถึงเราจะกแสดงให้มากกว่านั้นเป็นทวีคูณท่านปาติเกบุตรท่านจงออกไปครึ่งทางพระสมณาโคโดมเสด็จมาก่อนคนท่องปวงทีเดียวประทับพักกลังวันอยู่ที่อารามของท่านพัวะ เมื่อบุรุษนั้นกล่าวอย่างนี้นักบวชเปลยปาเถึกบุตรจึงกล่าวตอบว่าเราจะไปเราจะไปแล้วซบศีรษะอยู่ณที่นั่นเองไม่อาจลุกจากที่นั่งได้ครั้งนั้นบุรุษนั้นได้กล่าวกับนักบวชเปลยปาเิึกกบุตรดังนี้ว่าท่านปาเิึกกบุตรท่านเป็นอะไรเล่าตะโพกของท่านติด ก, กับตังหรือหรือว่าตัางติด ก, กับตะโพวของท่านท่านกล่าวว่า เราจะไปเราจะไปแต่กลับซบศีรษะอยู่ณที่นั้นเองไม่อาจรู้จากที่นั่งได้พระควะนักบวชเปลือยปาเิระกบุตเมื่อถูกบวรุษต่อว่าอยู่อย่างนี้ก็ยังกล่าวว่าเราจะไปเราจะไปแล้วก็ซบศีรษะอยู่ณที่นั้นเองไม่อาจรู้จากที่นั่งได้พระควะเมื่อบุรุษนั้นได้ทราบว่านักบวชเปลืยปาเถรกบุตนี้แพ้แล้ว ก็ยังกล่าวว่าเราจะไปเราจะไปแล้วก็ซพศีษะอยู่ณที่นั่นเองไม่อาจลุกจากที่นั่งได้จึงกลับมาหาบริษัทนั้นแล้วบอกอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญนักบวชเปลยปาติกระบทนี้แพ้แล้วก็ยังกล่าวว่าเราจะไปเราจะไปแล้วก็ซพศีษะอยู่ณที่นั่นเองไม่อาจลุกจากที่นั่งได้พควะ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 พานวาระที่หนึ่งจบ